ถึงพ้อโซดาบันเรไม่คิ้วหรอกน้องมาถึงข้โซดาบันอกไม่คิ้ ว, ว, ว, วคิ้ ว, ควไปม็อ้นในผ่านโซดาบันมีขอบเขตเนี่ยบายาม็อกถูกประเภณี่ระเดจอยากลวงเพราะเขา้าใจตามเป็นจริงเป็นธมาทิษีแล้วความเป็นของกิผาวบวอด ชิ้ฟ้าทั้งิ ด, งด ท, ทั้งด้วยชิ้าทั้งรับชินข้นบริวานด้วยด่านที่แจกภาษามาสูงขึนตมข้าวผสดาวันลงมาาทามเขี่ยวตน ท, ที่านตอกเศษทองเที่ยวในวัตางานานที่สุดผสดาบันม้วนจองเวน้นจอกไผกระไผ่เดือก้วกาวอข่อเว้นกับไผ เรากับมัตเยดาดจินสัดทั้งหลายกับมัตเซย์ดยไดยาขาทไดขาไม่แล้วเขาเรียกไปเจ้านีต่อไปอ่ะมัตไดเฮ็ดเลยจะพัดเปลี่ยนมาโซดาวันมากแล้วก็ขาดอ่ะมัตเซยไดยาขาซัดทัตทีวิดมัตเซย์ไดาย า, ยรยดายกรักดัพยปุธธิในมามมัตเีย์ไดจะขุดเทิดมัตเซย์ไดายาเล่นเียบเพลินฟัวเพลิน นือหลูกเต้าพจนพุทธิภู้องแหนบวรวงกืนพราะเขาลบถ้ำเขาบใจเจ้าของเพอาะถ้ำนีในหัวใจเจ้าของไ่ประมาทบ่กวไม่ก า, ายถือว่าพระถ้ำยี้ในหัวใจนี่ลดขันความเขาเรียกว่าความพระถ้ำนี้ในหัวใจเจ้าของพปีนเขาเรียกว่าปีนพระถ้ำอยู่ที่หัวใจเจ้าของ ไม่สามารถจะปีนเข้าหลบหลักปฏิบัติเห็นภายในวัฏสงสารอย่างถี่ที่ตั้งนาปฏิบัติออกในวัฏสงสารอย่างถีทถี่ให้้ารักษาศีลภาวนาหวังเพื่อผลสุกเท่านั้นไม่หวังอันอื่น เมื่อได้วังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุ่มสมบัติทุสรังนี่มายความาพูมิประโสดาบันทรรมาให้อย่างชีวิตในทางที่สอบโดยว่าให้พูดอะไรว่าเก่าเลยมีหลาบเสริมหลาบมียดเสริมยดกระตำโมโหห้างมากฟ้าร้นน้ำ มเมื่อเสียดายแล้วขอเราอย่าเสื่อมจาก พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นพ่อเสื่อมันอื่นไม่หล่ะดือนทมเทเถไม่ได้เอามาผลเปรี้ยวนักใจเลยขอเราอย่าเสื่อมจาก พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นพ่อขอเราอย่าเสื่อมจากมักฝนยิ่งานเป็นพ่อเรายาหลวงเรเมิด ในสินหาของเลอกกงปงลีลปป่นพ่อพู้อื่นมากก็สร้งสอนไปสร้างสอนว่าไรคก็บผู้ปุบริเวเป็นไพ่รับเขามิตร ด, ดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็กีดกันพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดีตอนไหนทำถูกก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็ขีดกัน จะทำนี้ก็คล้อยตามจะทำชั่วก็าคล้อยตามต่อหน้าวาส น, น์เสริญนหลังทั้งเนินทาไม่มีในคำสอนของพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะเจริญเนื่องด้วยการตักเตือนกันไม่ใช่วาโอโเบกา หาจิ้มทั้งโอเบียรค้าร้ายกลายเป็นโอเบียรขวองวันเนี่ยว่าทั้งสี่ดีซัว่วฟ้ามพระพุทธเจ้าวัดไอ้สวนสันเหลือวิสัยย่อมคอยแห่หว่างเสฉยเมตตากับเมตตาแล้วเมตตาความละค่ายผาธนาจะให้เป็นสุขกรุณาความสงสารชีวยตช่วยคนทุกข์ มุทิตาความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเมตติสยาเมตตาเขาเมตแล้วกรุณาก็การุณาแล้วตอนนี้นทั้งถูกก็มุทิตาพอยินดีแล้วที่เหลือวิสัยทีนี้ก็เลยอ้วเบียขาทีนี้ ตามกรรมของศรัทธาเพระพุทธเจ้ามาคำว่ า, าเอาสวิงข้าสอรสวิงข้มามไม่ยงท่านชินเขาน้าแล้วพุโ ท, ทโธทำโมสัะโคเรียกว่าสวิงพุทธะโมเหลียมใช้รับถือคือเรียกว่าศรสว่ตถือมันบอกข้าสวิงข้าิ่น ก็ได้อนเอาไปได้ปล่อยให้พระพุทธเจ้าองค์นาวเลวพระพุทธเจ้าถ้าเจ้าเขมาแต่ละองค์ละองค์นับปีในมนษย์ของห่อเม็ดหินไม้ไช้ในทองมหาสมุทรซีมหาสมุทรปุ่นอยูนับไว้บก่กูว่าเขมา เพราะกลัวสิ่มัดล็อกพระพุทธเจ้าแล้วกลัวพระพุทธเจ้าองค์นั้นทีสร้างมาแล้มีเต็มรับทั้งหลายวิญญตายวิญญาณเกิดได้วันตาสงสารน่นับอันนี้ก็ซาสังสาราวเลยหมายมือยุ่งวันหกสิ่กลัวจะปีนขึ้นมาได้ก็พ่อแห้งพวกโทษปนานาธิบาท นี่อายุสัน่นโกรยมากสิหายาจง่า ย, ายนี่สามีพบอยู่แต่หากว่านักทั้งป า, าั้าิบัตนักทั้งเขียนทั้งปีเขาพราะหมอดก้อนดินเี่เขาเป็นคนมีโลกมากเลย ตัวก nh ็สิเป็นค้อไม่ลงมากดูตัวก็บริเนึื้อฝันว่าสิมีอายุยืดถึงเจ็ดทริปหรอกถึงมาแล้วสั้งเปียนๆสักทางตีทางต่อยสิเก่งดูอาเล็กก็ตักย้อนว่ากันน้ำมาแล้วพี่เคยพาไปขายเกลือเมืองน้องค่าย งอตัวหนึงมาทันเขาตัวออเล็กซ์ตักมันบักเหลืองไงงอนี่งวออกไปต้องการมัดเจ้าใช่ไหมพอนต้นที่เคยเหลี่ยมนึง่งต้นที่เคยหัวหน้าแก้วหัวผู้อันพี่สาวแก้ว เคยพวกนันทอทัอลล้งเศษถึงทอฝรั่งดังดวงดงค้งอหลูดรอตามสมุดถ้ลุดรอเนี่ยก็สะตายเปลี่น้กันแหะก็ตายไปแล้วมันมาท่านเขามันมาท่านเขาตัวกรเอแล้วก็ตักยอมันได้ดึงไว้ขึ้าตัวนึงมันไหวโพด ข, ขันเ อ, อากเขาหล่นมาใส่แบบไหวโพดไปอีกก็ บอกม่อมใหนว่าสามโตเอาไปน้ำกันผู้ที่คนเกียนบวยอยานั้นมันผากกันไปนำกันเจ้ามาเนเมื่อเจอนงเง่อ ย, ยกันไปเืแต่เมื่อน้องค่ายน่ะโว้โยพอยแมรมันเก็บกระโปกบาดไงมันนั่นตามมาแล้วเดีก <c oughs> ระโปกที่ย้องวัาตามมาแล้ว เคยเด็กเอาเบ็ดกวาดปากเข็งใส่ใส่เบ็ดกระน้ำมาแล้วเจ็บสันหลังค่อยปั่มเขาตอนงัวกระน้ำมาแล้วใส่เลื่อน่อยใส่เบ็ดเอียนกรน้ำมาเลยโลกกระเพาะ ถ้มานาย่อนกินไว้ปนกินลงทองเนี่ยกินลงใสม่มันเพื่อจหักแขวนแนี่ก็นํามาแลี่น้มะหักแขวแล้วใชาตินี้เรต้องออกเัานก่อนนะแล้วความนีตอนนี้กะน้มากขึ้นกันแนละ้วตอนนี้ที่เทปสัตวนี่ กรรมแล้วนะขนของกรรมเลยศาสนาะสิล่ลงปงเทรไดก็ตามไม่ได้ลุยไปไ ซ, ซ น, น์ตามรัพย์จุทั้งนั้นตามศรัพย์ทั้งหลายอนเนียมาเบิ้งพี่าหน้ามงพวกมุทลุองมุทลุพวกกินเหลามอญ า, อาก็าดีแล้วก็พวกเลีนบวเลีนเบียเรเนมัดเรีนเบร์รบรก็ดีขาหัวขาคุ้ยก็ดี เพื่อมันจริงพวกนี้ลวงละเมิดนะลวงละเมิดโดยความพ่อใจบ้างลวงละเมิดโดยเฮปตะสดใช้ค้นบ้างผสดใช้พอใช้แมใช้พีใช้นอก็มีแล้วผลลัพธ์มันเจาของที่ได้รับป่ะฮะเนี่ยมันมัน เขา็นบ่อดับขอมนกอพ hết ถ้พทเจ้าที่ล่วงประแดท่าไดก้างศาสนาที่ล่วงประแดท่านได้กรตามจะล่วงปท่านได้กรตามมีข้อร่เทียบฟังนนายความาบากือล่ เล่เาได้พันพวงของจักเหลืองขี่ดังริ่งเองียงขนหอไทยได้ตกพุที่ข่านตกกระทงมาสำร้านนั่ น, น, นขอ้อกุเิอีบัวหนึ่งอืมอีบัดหนึ่ง เทพาแบบว่าเทพพระพุทธเท พ, พดาเทพสามสมุติเทพเทพวดาโดยสมุติวุปติเทพเทพวดาโดยกำเนิดวิสุทธิเทพเทพวดาคือพระหลานเทพสามในพระพุทธศาสนาสมุติเทพไว้เป็นเทพสามสมุติเทพเคือเบดามันดาปุยญาตาทวดพระพุทธสามเณร ซึ่งเป็นผู้ตุโชนคนหาหรือพระบรมราชาหรือเจ้านายหรือท่านภู้มีคุณเรียกว่าสมุติเทพเทวดาโดยสมุติอุปติเทพเทวดาโดยกำ เ, เนิดโดยกำเนิดกำเนิดกำเนิดเทวดาอยู่ที่ต้นไม้อยู่ต่อขอึ้วยปราวดอย อยู่สวงสวรรค์หรืออยู่มหาสมุทรที่เรียกว่าลูกค้าเทเวดาอยู่ตามจนวัยเพราะนี่กเกิดขึ้นด้วยโอปปาติกะไม่ได้เกิดในคันเหมือนนอนฝันเป็นตัวเป็นตัวเป็นผู้เป็นคนเยา่าสมุทรเทพ จันเกิดในคันในไข่ในเท่าในไข่แล้วเปิดอะไรเลยนะเทวดาเรามีมีอยู่ทุกยทุกสมัยทุกการทุกเวลาทุกกรรมและผลของกรรมของใครของมนันพวกนี้ยังอยู่ใต้กรรมและผลของกรรมอยู่อยู่ใต้มิสุดที่เทพเทวดาโดยสมมติเทเทวดาโดยบริสุทธิ์ทีนี้ ก็คือพระหรหัรกรุงไจเป็นกรุงสำคัญเป็นพระนครหลวงสำคัญเมืองตาเมืองหูเมืองจมูกเมืองลิ้นเป็นเมืองขึ้นของพระนครหลวงเคยใจ ใจเป็นผู้ได้รับจดหมายด่วนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนด่วนมาทางตาบ้างหรือโทรเลขก็ว่าหรือโทรศัพท์ก็ว่าด่วนมาทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลล่นบ้างทางกายบ้างทางธรรมอารมบ้างส่งลงถึงใจเจนีจะช่วยเป็นหน้าที่ของใจเพราะนี่ส่งลงกระพื้ด แต่ไม่รับรองว่าดีหรือชั่วมีหน้าที่ส่งก็สง่งถ้าใจไม่รู้เท่าทันเทียมถึงก็รักบ้างชังบ้างลงบ้างผลลัพธ์ก็คือใจเป็นผู้รับเท่นี้ความเดือดร้อนก็ใจเป็นผู้เดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนก็ใจเป็นผู้ไม่เดือดร้อนหน้าที่มีก็สัมผัสส่งใบเสมอเสมอเพื่อน <c oughs> อายตนะภายในมเมตตาเป็นตน้น อันยตนาภายนอกมีรูปเป็นต้นมีญญาณมีจกักขูวิญญาณเป็นต้นกระทบกันเรียกสัมผสัสมีชื่อตามอายตนาภายในเป็นหกคือจกักขูสัมผสัสโสตะสัมผัสคาณะสัมผัสจิวหาสัมผสัสกายะสัมผสัสปโนสัมผสัสสัมผสัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือสุบ้างทุกบ้างอเบกขาบ้างมีชื่อตามอายตนาภายในเป็นหคือจักขูสัมผัสสชาเวทนาโสตะสัมผัสจัชาเวทนา กายสัมผัสใจเวทนาคิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาเวทนานั้นเองเป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือความทเยอทะยานถ้าเวทนาสุขมันได้รับสุขก็ทเยอทะยานในสุขก็กลายเป็นภพแล้วก็กลายเป็น อุปท า, านกลายเป็นชาติเปญชราพระยาทิมานะโสโคปิเทวทุกโทโธมารณอุปายาตวนเวียนอยู่อย่างนี้อินตนนภายนอกก็คือฝั่งทะเลภายนอกอินทนนภายในคือฝั่งทะเลทางนี้ในระหว่างกลางก็คือมหาสมุทร เชานเปียบเหมือนอันเจตนภ า, ายนอกเปียบเหมือนเชือกทางหนึ่งผูกโคอันเจตนาภายในก็เปียบเหมือนเชือกอีกทางหนึ่งผูกโคอีกตัวหนึ่งคนละเงื่อนในระหว่างกลางคือความรักความชังความหลงตัดอันนั้นทิ้งเช่อันท่านพูดอย่างนั้นตัดระหว่างกลางทิ้งแล้วก็ขาดกระเด็นเลย ตัดความรักความชังเสียตัดความหลงเสียแล้วก็ข้ามทะเลหลงปัญหาของโลกมันมีมากเพราะมันมีทุกมากมันก็มีมากเมื่อราคะมากโทสะมากโมหามากปัญหามันก็มาก ใก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันทัดพูด ก, ก็เหมือนกันถ้ากิเลสมีน้อยปัญหามันก็น้อยถ้ากิเลสไม่มากปัญหามันก็มากเหียนั้นท่านจึงสอนให้เข้าไปอยู่ในสมาธิบ้างพอหลบบ้างพอออกมาแล้วก็เอาอีกละสมาธิเพื่อหลบค่าศึกอยู่ปัญญาแปลว่าต่อสู้ จะชนะก็เพราะปัญญาถ้าไปลบแต่สมาธิก็ไม่ชนะกิเลสเพราะมันกำลังกระถอนออกมาเหมือนกันนะในเช่นั้นจึงใช่ปัญญาพิกนนารณา ทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลกเป็นสังขารล้วนๆที่นี้ตัวของเราที่กิตยังไม่สูงกว่าสังขารมันก็เป็นสังขารอีกคืสังขารต่อสังขารจะมาแต่งกันให้กีรังยังยืนมันก็แต่งไม่ได้มันก็แตกสลายไปตามธรรมชาติของมัน เมื่อมันแตกสลายไปตามธรรมชาติของมั น, จนเจดียยังไม่ยอมก็ฝืนอยู่อย่างนั้นฝืนปันป้นน้ำให้เป็นตัวปั้นไปปั้นมาก็เป็นทุกข์ตายคากันนั่นขอรูปเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นขอเวทนาเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นขอสังขารเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นขอวิญญาณเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นไปตามความประสงค์เสีย เมื่อมันเป็นไม่ไม่เป็นไปตามความประสงค์เราก็ฝืนอยู่ไม่มีกัางวันกลางคืนฝืนอยู่ไม่มีกลงวกักลางคืนก่็ทุกข์อยู่ไม่มีกลางวักลางคืนนั่ง น, นี่ฉะนั้นพระรีเจ้าท่านจึงสอนให้เบื่อหน่ายครายเมาความเข้าใจผิดของตนเสียเบื่อหน่ายครายเมาปัจจุบันอดีตอนาคตก็คือเบื่อหน่ายใครเมาโลกกันเอง โลกทั้งหลายย่นลงมาในปัจจุบันอดีตอนาคตโลกทั้งหลายย่นลงมาในปัจจุบันนโลกปัจจุบันนิธรรมศีลก็ย่นลงมาในปัจจุบันนศีลสมาธิก็ย่นลงมาในปัจจุบันนิสมาธิปัญญาก็ย่นลงมาในปัจจุบันนิปัญญาให้รู้เท่าทันเทียมถึงกันย่นโลกลงมาเท่าเม็ดงา ก็ย่นสิ้นสมาธิปัญญาลงมาเท่าเม็ดงาเหมือนกันก็ย่นทุกลงมาเท่าเม็ดงามเหมือนกันยัดเยียดจนถึงขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของแสดงให้เห็นอยู่ในตัวทุกทุกท่านทุกทุกคนมีข้อพระใจพิโรธแล้วทุกทุกคนเพาไม่ใช่ว่าไหวเสียจิตผิดพนุษ ใจแปลว่าสามกายเป็นไตปีดกหนึ่งวายกายเป็นใจ ป, ปีดกเป็นปีดกหนึ่งใจเป็นปีดกหนึ่งปีดกแปลว่าที่รวบรวมความมีความชั่วเหมือนตะ ก, กา้าหรือชะลมถ้าปัญญารู้ชัดเห็นชัดตัดความสงสัยชัดสิ่งเ่านั้นจะเกิดมาร่อสักเพียงในก็ตามถ้ามันตัดสินแล้ว สมาธิทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจอานิจจังเกิดขึ้นแล้วเขาไปอาวนแล้วแต่สลายเหมือนกันจะส ง, งบเฉพาะเพียงใดก็ตามจะไปเห็นรูปนิมิตต่างๆก็ตามก็เกิดดับเป็นเหมือนกันนิมิตต่างๆที่เขียวสีแดงสีอะไรต่ออะไรก็ตามเทวุทธเทวดาก็ตามหรือสมมุติขอเหินเหนื อ, นอนากาศไปได้ก็ตามมัดกํลาลังเขถ อ, อนออกมาเหมือนกันเขาอยู่ใต้อำนาจอานิจจังสมาธิทั้งหลายในฉะนั้นพร ะ, ระโลรลมศาสัา ถึไม่ได้สอนให้ติดอยู่ให้ดูตามมันจริงครักให้ปล่อยให้ว่างถือว่าเราว่าเขาอาสาบุคคลแต่ให้ได้ลืมล่มรถถ้าไม่ได้ดื่มรถมันก็จะหลงติดอยู่ึเมื่อเห็นมันไม่จีิงรังยังยืนแล้วมันจะเบื่อจะนายจะคลายจะเมาในวัฏสงสารทุกทุกประเภททุกทุกอุเบกขามันก็เกิดขึ้นได้แ ป, ปลผลจตกสรารละลายอีกาเหมือนกัน ทุกิงอามิย์เกิดขึ้นแล้วก็ไปปวนแล้วแตกสลายทุกิงเนคขมักิงละกิเลสไม่ได้แตกสลายไปไหนเช่นพระรหันเป็นสุกขแล้วไม่ได้แตกสลายไปไหนเพราะท่านพ้นไปแล้วเนี่ยผู้พิจารณาทุกเป็นอารมณ์ผู้นั้นจะเบื่อหน่ายคลายเมาในทุกได้ ผู้ไม่พิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์ก็คือไม่พิจารณาอานิจจังเป็นอารมณ์ก็คือไม่พิจารณาสังขารเป็นอารมณ์นั่นเองนะพราคนในโลกมันหลงสังขารไม่ใช่สังขารหลงไปหลังหลวงคนเพราะกิเลสไม่ไปหลงสังขารไม่ใช่สังขารมาหลงกิเลสพิจารณาทุกข์เป็นอารมณ์แลยเพราะเขาลงเขาออกแล้ว นั่นตัวศีล น, นั่นตัวสมาธินั่นตัวปัญญานั่นคือพระพุทธนั่นคือพระธรรมนั่นคือพระสงฆ์นั่นคือห้อนทางเข้าสู่นิพพทายานจะเบือหนหายคลายเมานะวัชทสองสารโดยง่ายถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็นานเดินทางโคกงถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ไปติดอยู่ในสมาธิบ้างมึงภาวนาไม่เก่งเท่ากู กูนั่งเห็นแสงเดือนแหงแสนแสงดาวเห็นแสงพระอาทิตย์อย่างนั้นอย่างนี้ไปอวดกันไปเถียงกันแยกขนมกันอยู่นั่นนี่อุบายเจ็เบื่อหน่ายไม่มีเสร็จแล้วสิตุร ก, ก็เอานั่นไปเครื่องหากินขนมเชี่ยวเตะกว่าต้อนกว่าต้อนให้คนเชื่อถือไอ้ที่แท้ยังไม่ได้เบืน่นายในว่าตาท้งสารเพราะไม่เห็นความจริงเพราะยังมาเห็นทุก พแอบกินกับสมาธิหน้าเดียวเพราะมันมีลาบบ้านักใจทายใจอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ไม่พ้นดักไม่ดักมันก็ไม่พ้นผู้พ้นแล้วจะดักหรืออะไรมันก็พ้นอยู่แล้วผู้ที่เป็นผู้ติดชมคนหนาจะดักไม่ดักมันก็เป็นผู้ตชมคนหนาอยู่นั่นแหละนักใจทายใจบุคคนผู้พ่นแล้วไม่ต้องไปดักยากดักหรือไม่ดักมันก็พ้นอยู่แล้ว ไปเที่ยวดักใจคนอื่นไม่เท่าเที่ยวดักใจตนเองตนนึกอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ตนเป็นโทษหรือเป็นคุณไม่ต้องโอปะนายโยโกน้อมอยู่ตัวเสมอการเพ่งตามนิมิตต่างๆตัวเพ่งของภายนอกพระเฮธารมอัจฉตายะธรรมมาทำภายในโอปะนายโยโก นอบเข้ามาใสาไกลปฏิโลมเข้ามาใสาไกลอนุโลมเข้ามาใสาไกลโลกจะไปจบสิ้นกันที่ไหนก็ไปจบสิ้นกันที่พระหรหันต์เมื่อยังไม่ถึงพระหรหันต์แล้วไม่จบสิ้นนะโลก เาไม่ชนะสงครามร่างโลกเราจะเปลีป่ยนแปลงคำสอนของพุทธศาสนาเปลี่ยนไปท่าใดก็ยิ่งทุกไปเท่านั้น เราจะดื่มสุรามีอะไรประชดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านจะเดือดร้อนอะไรท่านเข้าสู่พระยิ่งทานไปแล้วเราจะทําชั่วกับประชดพระพุทธเจ้าประชดพระพุทธศาสนานี่พระพุทธศาสนาแท้คือพระอรหันต์ท่านข้ามไปหมดแล้วท่านจะไปเดือดร้อนอะไรเพราะท่านไม่มีสิ่งที่ติท่านแล้วตอนนั้นเราก็สอนหมดแล้วตอนนี้เราก็สอนหมดแล้วเออตอนนั้นเรายังไม่ได้สอนนี่ เรายังย้ำเพ่งโทษเราอีกทํานไม่ได้ว่าเท็านี้เพราะท่านสอนหมดแล้วถ้าไม่ได้เพยงโทษท่านาเราจะไปทําความชั่วประชดพาาระรหลังประชดท่านผู้พ้นไปแล้วท่านก็ไม่ได้รับกับเราโ <c ười> ต๊ะเราเขมาหาเรานั่นเองเราจะบ้วนนําลายขึ้นฝ้าให้ชนะฝ้ามันก็ชนะไม่ได้มันก็ตกใส่หน้าเราคนเราจะถึงทุกคน ใจถึงในทางดีใจถึงในทางชั่วพระทหารเป็นยอดใจถึงในทางดีพระเทวทัตเป็นยอดใจถึงในทางชั่วนุมหาวิจีนรกแต่เราจะยิ่งกว่าพระเทวทัตก็ไม่ทราบพูดเที่ยก่อนอันนี้ ทำดีได้ดีทาชั่วไนชั่วใจเป็นผู้ได้ไม่ทิเสียใค่ใครใครก็ไม่เอาไม่ไิเสียแคตาหงมูกะมงเลี้ยงกายเขาก็ไม่รับความดีความชั่วที่มันเกิดขึ้นแล้วกายวายจาเปรียบเหมือนคิปเหมือนขอที่แขวนคอโคกระมือ ใจไม่เบียดเบียนใจก็ไม่มีอันไรจะเบียดเบียนใจใจไม่ทำประโยชน์ให้ใจก็ไม่มีอันไรจะทำประโยชน์ให้ใจได้นะตามันก็ทำไม่ได้หูมันก็ทำไม่ได้ถ้าเป็นมันเป็นหน้าที่รับใช้เฉยๆแต่เมื่อเวลาเก็บป่วยลงมากมันก็รับใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันบอกให้มัน เวลาพี่น้องยังไม่แตกกันกายเขาพอช่วยได้วาจาเขาพอช่วยได้พอเคลื่อนที่เดินไปมาได้ที่นี่พญาคิตราษยังไม่ว่าวีกแต่เมื่อกายก็กระดิกไม่ได้ตาก็มาเห็นเสแล้ววาจาก็พูดไม่ออกที่นี้เขพึ่งตัวเองพิกถูกก็ปผูกพิกไม่ถูกก็ไปในะโกใหญ่หฉะนั้นจึงหัดภาวนาไว้ เราจะตายคาขี้ขาเยี่ยวทุกๆท่านผู้ใดมาล่างให้ก็ล่างแต่ภายนอกภายในใครจะล่างให้ได้นะตายคาขี้คาเยี่ย ว, วมาเช็ดอุจจาระปัสสวะให้เว้ยลงกรุกก็กก็นาบ้างมาเช็ดให้แต่ภายนอกภายในใครจะไปเช็ดให้กันได้ก็ตายคาขี้ขาเยี่ย ว, วนะ ราคากิเลสก็ถูกตาคาความโลภโ ก, กลรลงพอยังถอนไม่ออกเพราะยังยินดีในโลกทั้งปวงอันนี้จะสัญญาความไม่เที่ยงแห่งสังขารท่านทั้งหลายจงจําไว้เนอทุกขะสัญญาความเป็นทุกข์ในโลก ท, ทั้งปวงท่านทั้งหลายจงจําไว้เนอะพระบรมศาสดาอนณาตะสัญญาวามันไม่ใช่ตัวตนเราเขาสัตว์บุคคล เกิขึ้ น, นได้แปลปวนตแต่สลายไปตามอำเภอใจไม่อยู่ในอํานาจของใครไม่ให้แก่ก็แก่ไม่ให้เก็บก็เก็บไม่ให้ตายก็ตายไม่เห้เป่วยก็เป่วยไม่ให้เน่าก็เน่าไม่อยู่ในอํานาจวาสนาของท่านผู้ใดเลยฝื้นความปัจถนาเรียกว่าอนัตตาอนัตตาสัญญาท่านทั้งหลายจงจําไว้เนะื้ออสุภะสัญญาความไม่งามแห่งสังขารแห่งสกุลละกายมีหนังหุ่มอยู่โดยรอบ ปูโดปรดานะปการรักษาอสุจิโนเต็มไปด้วยของมัศามีประการต่างๆอาธิมัตเมิงกายเย่มาอยู่ในกายนี้คือผมทั้งหลายคือขนทั้งหลายคือเล็บทั้งหลายฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเกเนืมมอ้อกระดูกม้ามหัวใจทาฟังผื่นไตปอดไตใหญ่ได้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้มีแต่ของสกปรกโสมมทั้งนั้นท่านทั้งหลายจงจําไว้เน้อปีเสดร้องเรื่องนหัวมังคนติดหน้าตาไปมันทำลายน้ํามูกทำไขข้อน้ํามูดเหล่านี้มีแต่ของสกรปรกโสม ม, ม ท, ท่านทั้งหลายจงจําไว้เน้อ เรียกว่าอสุภสัญญาอันนี้จะสัญญาความไม่เที่ยงแห่งสังขารลูกก็ไม่เที่ยงอดินหน้าไฟลมเปานชงการเป็นกายนี้เรียกว่าลูกเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เก็บตายเวทนาความโศยอารมณ์ทุกทุกอเบียขาก็เป็นของไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของไม่เที่ยงสิ่งนีไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนอ ลูกก็เป็นทุกเวทนาก็เป็นทุกสัญญาก็เป็นทุกสังขารก็เป็นทุกวิญญาณก็เป็นทุกจำไว้เนอรลูกก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนตรงจำไว้เนอร์เขาบรมศาสดาสอนเมื่อเธอทั้งหลายจำไว้อยู่บ่อยๆเธอทั้งหลายก็จะเบื่อจะหน่ายครายเมาในสกุลรางกายจะไม่ในหลวงกายอีกจะไม่ได้มาก่อเกิดแก่เก็บตายอีกเนอะ เวลาคะสัญญาคือความจําให้สิ้นกำลังเสียในส่วนนี้ท่านทั้งหลายจําไว้เนอะนี่รูทสัญญาทําให้แจ้งในคันทะสันดานเชนเนอสัพพโรเกียพิริตะสัญญ า, า, า, ญญาท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงเนอโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันโลกอดีตคืออะไรคือตาหูจมูกนิ้วกายใจที่ล่วงไปแล้วโลกอนาคตคืออะไร คือตาหูจมูกเลี้ยกายใจที่ยังไม่มาถึงโลกปัจจุบันคืออะไรคือตาหูจมูกเลี้นกายใจที่กําลังเป็นอยู่อันนี้ก็ถูกโลกอดีตคืออะไรคืออนิจจังที่ล่องไปแล้วโลกอนาคตคืออะไรคืออนิจจังที่ยังไม่มาถึงโลกปัจจุบันคืออะไรคืออนิจจังที่กําลังเป็นอยู่อันนี้ก็ถูกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์เนอเธอทั้งหลายจะบัญญัติยังไงมันก็ไม่ไปด้วยพวกเธอดอก ความจริงของมันเป็นเพียงแค่นั้นและเองนั่นอนดีตคืออะไรทุกที่ล่องไปแล้วอนาคตคืออะไรทุกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือทุกที่กำลังเป็นอยู่ก็ไม่ผิดอดีตคืออะไรสังขารที่ล่งไปแล้วอนาคตคือสังขารที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือสังขารที่กำลังเป็นอยู่ใครเป็นผู้พิจารณาอย่างนี้ก็คือผู้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญานั่นเองนั่น ก็คือพุทธธรรมสงฆ์เองผู้พิจารณาอย่างนี้นั่นก็คือผู้ปฏิบัตินัเองนั่นท่านทั้งหลายจงพิจารณาเป็นเนืองนิดเน้อทําให้มากเน้อถ้าท่านทั้งหลายไม่ทําให้มากความหลงของท่านมันมีมากกว่าความพิจารณาตามเป็นจริงแล้วฉะนั้นพวกท่านก็จึง ช, ชนะความหลงได้หลงทั้งวันทั้งคืนพิจารณาคู่เดียวท่า น, นมันก็สู้ไม่ได้ท่านผู้ยังนั้น เพราะมันหลงมันมีอำนาจกว่าต้องพิจารณาอยู่เรื่อยเนอ้ออย่านอนใจเนอ้อเน๋ยวจะเสียใจภายหลังนะกายนี่มีทุกข์มากมีโทษมากเราอาพาธต่างๆก็ย่อมตั้งอยู่ในกายเนอ้อท่านทั้ ง, ทงหลายอย่าลืมเนอ้อพราะมหาคัตปาออกบวชมีปฏิ ญ, ญาสามข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ละสติไปในกายสองข้าพเจ้าเข้าไปในที่เท่ากลางสง ข้าพรเจ้าจะทำตัวเป็นคนใหม่อยู่เสมอเสมอจะละมุนละไมไม่ทำผึ่นผายองอาจจะยำเกรงพฤกษุทั้งจะเป็นผู้แก่ทั้งจะเป็นผู้เล็กทั้งทีง่เป็นผู้น้อยทั้งที่เป็นผู้เท่าจะแสดงตนเป็นคนใหม่อยู่เสมอเสมอจะละมุนละไม่ไม่คุ้นเชื่องกับท่านผู้ใดจะไม่ตีตนเสมอกับท่านผู้ใดอีกข้อหนึ่งเวลาฟังเทศข้าจะเงี่ยหูลงฟังให้ดีมีสามข้อเท่านั้นล่ะพระเจ้าค่ะเออ ถ้าเธอสามารถอย่างนั้นเธอก็บวชซะบวชแปดแปดคนอื่นไม่ได้บวชยติยตุลทกรรมวาจาไม่ได้บวชเอหีพิคุพัสัมทาไม่ได้บวชติชนะคนัมโนพะสัมทาบวชสามข้อโดยโอวาตสามข้อจะพิจาร น, านากายเป็นอารมณ์แต่ปลายเท่ามาหาศีรษะแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท่าอยู่อย่างนั้น และเรื่องพิเศษต้องไม่อีกข้าพเจ้าเข้าไปในบ้านหรือไปในตระกูลข้าพเจ้าจะทําตนเป็นคนใหม่อยู่เสมอเสมอเมื่อเวลาข้าพเจ้าไปบิณฑบาทเขาเอาของดีมาใส่ให้ข้าพเจ้าก็จะพยายามจะไม่ให้ติดเขาถ้าเอาของชั่วมาใส่ให้ข้าพเจ้าก็จะไม่พยายามรังเกียจเขาเมื่อเขานานเอามาให้ข้าพเจ้าก็จะไม่ นึกวุดหยิดในใจเขาเอามาให้ง่ายข้าพเจ้าก็จะไม่ดีใจเสียใจอะไรข้าพเจ้าจะทำตนให้หากออกจากตระกูลเสมอๆเสมอนไม่เกี่ยวข้องอยู่ในตระกูลเลยน่ะมีข้อพิเศษแล้วข้าพเจ้าอยากจะอยู่ป่าเป็นนิดเมื่อพิพิธสมาาเรนูบาสกอวาสิกาไม่หวังผลทุกในวัฏสงสาร ไม่ปฏิบัติเพราะพุทธศาสนาจะให้ผีตัวไหนมาปฏิบัตินี่อันนี่ก็สิ่งเป็นสิ่งที่ควรคิดโมพิสุสามนเนอโนบาสกุบาสิกาไมเห็นโทษในการท่องเที่ยวในวัตจ้าสงสารจะให้ผีตัวไหนมาเห็นโทษแค่นี่ เธอทั้งหลายจงพิ่เจนาเนืองเถิดกายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากชาติภพก็มีทุกข์มากมีโทษมากเนอะเรื่องมีคุณไม่มีเลยในใจโลกธาตุเนี่ยถ้าว่ามีคุณอยู่เท่าเม็ดงาขาริ่งก็ดีข้าไปเจ้าก็เบื่อหน่ายใครมาไม่ได้เพราะวินัยปฏิสัตย์ที่จะไปแอบอยู่ที่นั้นเราหาสิ่งที่เป็นสุขในโลกไม่มีเลยทุกขของกุลหัตก็มีอยู่สี่ยาวสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ สุเกิดแต่จ่ายทรัพบริโภคสุเกิดแต่ความไม่เป็นหนี้เป็นศินสุเกิดแต่ทําการงานที่ปฏิจจคตโทษถึงแม้อย่างนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นเน้่แปลว่าให้แต่สลายเหมือนกันนี่สุเป็นขราว่าสสุในพระพิสูจนสัมมาเรนสุขถึงพระโสดาบันสุขถึงพระสกทาคามีสุขถึงพระอนาคามีสุขถึงพระรหันต์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นสุขได้กินขนมมากๆ น, นเรามองหาความสูงในโลกไม่มีเสียแล้วนอกจากเป็นภาระบุคคลเท่านั้นมีดตัวเองบาดมือตัวเองใจของตัวเองเองที่ไม่ได้ฝึกฝนนั่นเองเลยทำให้ตนทุกร้อนใจแต่พูดมีตนบาดมือตน เรื่องงูงห่ไว้กับตัวก็คือเรื่องความหลงไว้กับตัวนั่นเองนะปัญญายาปริสุทธิชติบุคคลผู้จะบริสุทธิ์ก็เพราะปัญญาปัญญาโลคัมีปัโชโ ต, โตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเท่านั้นจะชนะความหลงท่านทั้งหลายจงสร้างขึ้น อย่าได้นอนใจโทเทตาเป็นผู้ตื่นอยู่เสมออย่าหลับเนอ้อนอนกลนเป็นกังวลในทุกขภาพเพราะเขผอ่อน่งกายแต่นอนใจในวัตจาทรสงสารน่ยอย่าม่พ้นทุกข์ในวัตจาทรสงสาร ก็นอนล้มฐานเพอก็อันเดียวกันนั่นก็คือนอนใจในล้มฐานเพือ่องยเดพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้พูดมาหาผู้ฟังท่านั่นส่วนพระลหันไม่ถูกท่านท่านพ้นไปแล้วมันก็ถูกพวกที่ไม่พ้นนี่เองนั่นเก่าเรื่องทุกข์ก็ถูกพวกที่ยังไม่ท่านพ้น พอที่นไปแล้วมันจะถูกอะไรมันก็ไม่ถูกทีนี้พ้นจากความหลงของตนดองก็คือดองความหลงของตนคำสอนในใจโลกธาตุไม่เหมือนคำสอนพรนะพุทธศาสนาคำสอนในพพุทธศาสนาเป็นยาโอสดโอตะทั้งหมดมังวัลัง ถ้าทำย่อมปฏิบัติผู้รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วตามส่วนควค่าของเหตุที่ทําน้อยเดชะมาเรากันล่มร่มก็กันเราเราไม่กันล่มล่มก็ไม่กันเราเราปฏิบัติทำทำก็ปฏิบัติเราเราไม่ยอมปฏิบัติทำทำก็ไม่ยอมปฏิบัติเราเหมันกันทําดีเรียกกุศลทาชั่วเรียอกอกุศล ชั่วทำดีเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายคนเราจะทำความชั่วประชดใส่ตัวแล้วถือว่าตัวเป็นผู้มีปัญญาที่นี่มแมลงวันมันใจถึงทางจินมูดจินคูดผู้ให้คะแนนมันก็คือมแมลงวันนั่นเอง ไม่แรงพึ่งมันไม่ให้คะแนนนั่นผู้ที่ทาชั่วผู้ที่ให้คะแนนเขาคือพวกชัว่วนั่นเองนั่นผู้ที่ทําดีผู้ให้คะแนนก็คือพวกนีนน้นั่นจะให้หรือไม่ให้เราก็ไม่หวังเพื่อคะแนนอะไรหวังเพื่อเคนทุกข์ในวินตรสังสารเท่านั้นน่อันนั้นพูดเ บ, บาอบบไปอเฉยๆนี่ย เธอทั้งหลายจงอยู่มีสติเถิดจ ง, จ ง, จ, ง, จ, ง, จ, งจงอยู่มีที่พึ่งเถิด อ, อย่าเป็นว่าเชื่อขาพราาาะบรมศาสดาจงพากันอยู่เป็นที่เกาะมีที่เกาะที่พึ่งเนอ้อจงอยู่ในเรือในแพคือคำสอนของเราตถาคต ส ก, การเคตรงทนายลวย่าเมื่อความตายมาถึงแล้วไม่มีใครจะไถ่ถอนความตายเลยด้วยเวทมนต์เด้วยซับเหตุฉะนั้นจึงถึงพวกพุทธธรรมประสงค์เนืจงพากันปฏิบัติตามสติกำลังของตนโนือย่าอยู่เฉยๆเนื้อทำทำดีทีทีละเล็กละน้อยก็มากขึ้นคูณทวีทำชั่วทีละเล็กและน้อยก็มากขึ้นคูณทวีเหมือนกันนั่น มาทำประเทศนาปวดท้องขึ้นมาแล้วเนี่ยปวดท้องขึ้นมาแล้วใส่เลือดก็ลงแล้วหมาเนี่ยใส่เรือนก็นลงแล้ว<า> น, น, นั่งไฟ่ยันต้องฟูมัน <c oughs> คนเต็มหนูตัวคนรักษาไฟนั่งกับไก่พันยิบ <c oughs> ทานไฟยิบ <c oughs> ทานไฟ ตีโตอยู่กับนี้ตีโตอยู่กับบเดีนบดียบุญเดอองนึงคนอ้าว่าสัตว์พวกพวกมาคูห้อคนหลองคาห่อแต่เยู่เอ้าว่าสัต่อยู่เพื่อมาคูห้องบปูมันงบงามงามตัววตืนันวก็เรียกว่าสำคัญสำคัญสาคัญอะไร้ สองขันสองันเพื่อนาจารย์วิทยยงอาจารย์วิทยัย่างนี่จมไฟอังโลกระาลงผู้มันไฟงโลไปพวกมันคืนวัาคันไหนคนไหนเคยมาหอดเทิงไปเป่ามั้นี่ยกิ่งมากในกิ่งมากมาตกใี่นี่ตัวปยอว่างแค่นีน คนว่านะมันจะแตกันเเท้พ่นที่พ่หส้แล้วอยว่างว่งว่าว่ า, ว า, ว า, ว า, วาก็มาควักนี่ออกโอ้ัแนแม่ใจคนพีหงพีหายยังกระดกระเดี่ยวสันมันเท่านี่บดล่อห้อมแล้วสันนี้ได้ยังเปิดเปลีวอยู่นี่มันเท่านี่มันเท่านี่ถิมโลดเลยสันใจพีหงพีหายยังไปกระดกกเดี่ยวเทียวสันโอ้ยสันชางปิดเลย รถผู้มาหัวยำๆเลยมว่ทิมขันน่าทมมันแตกคำเพิ่นสิบใส่อันเพิ่นก็ไ้ผมบอกว่ า, วาคนเฮาเนี่ฮันอันน้เก็บ็นนี่เนะาะอสัเพิ่นว่าเพิน่นบอกท่้นั่นก็มนข้เพินพ่นที่าบกลวงฮันเกิดก็เจ็บนอนตึกเกิดฮันตายก็เจ็บออนอตาย เ, ยเนี่ยอสัว่า <laughs> <laughs> อาถรนต่อเกิด อ, อาถตแก้ก่อเจ็บต่อตายคือแบบนี้อาท า, านต่อท่างถิ่พผนทุกในวะัฏสงสานเมื่อกระผลอีหอสันเอาโลดอาทรนไ์ในมันกระผนนันะ่นแะคนห่อใจถึงอันนมกรนั่นแหละใถึงวนะ่าพูดพระธรรมสมใจถึงว่าพูดพระธรรมสใจถึง พ, พ, พูดผีปีศาจใจถึงพูดผีปีศาจงใจเป็นผู้ถึง แต่ถึงทั้งลักทั้งซกมันก็ถึงมันก็ลัก ก, ก็ศกไก่ถึงทั้งดีมันก็ต้องดีอย่ถึงทั้งสัวมันก็ต้องสัวมันข้นอยู่กับใจด้วยฮ mm hmm. ่าเสียดีก้มซัวให้นักปาดตืดเขาบงตดแล้ว mm hmm. พูดจะให้คะแนนก็แต่พวกนักปีดะนะน้องเฮ็ดดีกพวกนักปาส่งสนสน ถ้ากบฏว่าที่ได้พายพายส่สนเสนอแล้มันผลทุกข์เกาอ้ออันนี้เขาบอกเขาซื้อแถวมันไปหันปฏิบัพรพุทธศาสนาบม่วางผลทุกข์ก็จะมีค้อไม้ยังสังหาโอยบทเขามาแล้วสู่ภูรเข้าเข้ารักษาชิ้นหายุวาเมรดร์อี่ พทธิหารปัจจัยส e. ีเป็นของภายนอกเป็นน้ำลายพระองค์เจ้ามีหลายกับบุราบุษไม่น้อยกับบุษราจะว่าบุษาเลรตม่หอหรือ่ขอใโลกศานบุษราพระพุทธเจ้าซะนำลายพระพุทธเจ้ากับบุราพระพุทธเจ้าฉีเธอพระพุทธเจ้าบุราฉีเธอพระพุทธเจ้าจะถืมุมาบูษราเลียดม่ ห้องดีเกิดขึ้นมากกว่าเต้แม่นห้องโถห้องสัวเกิดขึ้นมากว่าเต้ม่นห้องโตอมิตรอนไรก็ได้แล้วห้องยัก์โอนบุษาเกาเขาทำประสงค์สลักอะไวออกดอกในไตโลกทานเพื่บบุษะสร้างข้าวบุษะหดแล้วเอาล่ะของเขามอบฟิดตัวบันมอฟิดแล้วของเขาก็ยังอยู่ตามเดิมอยู่เขางงเขาโบบุษะสร้างไงข้าบุษาว ออุทิศกลละกายว่าจจใจพุนเป็นสมบัติสวรรค์สมบัติพ้มสมบัติในผ่านสมบัติผนบุษาวุฒิเจ้าในตจโลกธาตุนี่ยิืออุทิตสกุละกายว่าใจใจเป็นสมบัติขบัติอ๋อ่นมาก็ไม่เห็นในท่าในทองมหาสมุทรลอยโกรธมหาสมุทรฝนจึงบุษาพุฒิพระธรรมประสงค์อยู่ทรงกลางเนี่ยต่อถึงมรคนในผ่านตลอดถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพุมสมบัติในผ่านสมบัติเนี่ยชือุทิตสกุลละกายว่าใจใจ เป็นสมมัติอันนั้นเลี้ยวพระลั่นส่วนลั่นหนมือเดียวเบูษราอยู่ทุกเมือผูกขาดจองขาดทูนเพื่อบุษราจะตังเราไหมงงนอนฟอรเป็นเพจอยูหอ่หันเรบ่หองบุษราที่กินแต่อายไหมของเขาก็ยังอตามเดิมเพราะบุษไปลักออาไหมนั่นอุทิศตะกดละกายเขาเีเป็นหลวงชันว่า อธิษฐานสมุทรปากว่างขอดจักรกวาลผุนหายพระพุทธพระธามุระท้อ ง, งคีใสผุนเรมีก็ไม่งือนขึ้นผุ น, นสบายสันตัวทรมลายไข้ในมูกใส่รามีก็ไม่เงือ น, นเนอะพระองคไ์้ไปนังความเขารบความย่อมตัว ความศรัทธาเพ่อนวันพีบาเพื่นกบวบบอขี่ทกอันนี้ศรัทธาโมหอันนี้ความย่อมตัวความศรัทธาสัตย์วิตตังปฏิสัตยเศรังศรัทธาต่างมนแล้วยังประโยชน์ใ้สาเร็จศรัทธาเป็นเพื่อนของของบุคคลผู้มีศรัทธา ทัศ น, น์ยัมบนณรนถึงพอเมืองศรัทธาอจาระศรัทธาอจาราสุปฏิทิฏิตาโลกุตราศรัทธาในแหละดีไม่ใช่โลกิศรัทธาศรัทธาในพระพุะทธธรรมพระสงฆ์สพเป็นโพระตายเลือดทุกหลดบูชาพระพุะทธธรรมพระสงฆ์มันเป็นตรโล ก, กุตราศรัทธา ทุกข้าวเวทนาก็าดีทุกข้ายเวชนนาก็าดีเบคาเยวชนหนาท่สมยุตาธมากก็ดีขาอบูญเ้าคุณพระธรรประสงค์ทงหงมีพมาเนียมันก็มัดกันหาท่านมันก็มัดอยแหละจุดเจอเจ้าอยู่คือเกี่ยววันนี่แหละก็คือเกียววนนกเก่ยวประวนนัน วัเอะเขาสนิมบุงคนผู้มีปัญญาย่อมเลื่อมใสในสิ่งที่ควรควรเลื่อมใสย่อมบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีย่อมพอใจในสิ่งที่ควรพอใจย่อมโซเป็นโซตายในสิ่งที่ควรโซเป็นโซตาย มุขคลผู้ไม่มีปัญญาตรงกันข้ามย่อมมูชาในสิ่งที่ไม่ควรมูชาย่อมชอบเป็นโอตายในสิ่งที่ไม่ควรชอบเป็นโทตายย่อมเลื่มใสในสิ่งที่ไม่ควรเลื่มใสย่ยอมยินดีในสิ่งที่ควรไม่ไม่ควรเย็นดีย่อมพยายามในสิ่งที่ควรไม่ไ ม, ไ, มไม่ควรพยายามย่อมดำดิในสิ่งที่ไม่ควรดำริกูงเงินข้าม ว่าอกกระแมนอีมันสิปาี่ใส่โลกอ่ะมันวุ้ยบอลี่ได้ี่งไงเห็นมันมืดเลยได้เดียดเนีมันสิปรี่ใส่โลกอ่ะมันวบลี่ได้อันเนี้ยมันถีบมาให้ห้าลกมันสิปารี่ใส่เอแก้เก็บตายมันกับประกาศบาดไม้อยู่เลยโกโกรธลงมันกับปราการ์บเว่นไพมันกติมนี่ในโลกฟงซานอันนี้มันปารีอยุบไหนกันมันเห็นอยู่กัน ก็เปิดคนนอนในสกุลละกายกับเปิดเผยโยงเสียมันปฏิอยู่บายนิสัตว์คาม่มันมาเที่ยงในศัตว์ไม่พบมันก็เห็นโยงเสียในสังขารทั้งหลายก็เห็นโยงเสียก็เป็นทุกข์ทั้งหลายมันก็เห็นโยงเสียมันจะปฏิโยสาสให้มันปฏิบัติบังยังบันไดโลกอนี้เห็นทุกข์สัตว์มันกิบว่าปิดบังแหละมันทุกข์เสมอกันเหมือนนาของไส้เนี่ยคนบ่มันมาเที่ยงก็เสมอกันเหมือนนาของไส้คนบ่มเป็นสัตว์มันก็คนกับเสมอกันเหมือนนาของไส้ ธาตุดินกับเสมอนาของไส้เป็นของแข็งเป็นลักษณะแข็งแข็งเนี่ยธาตุน้าก็เป็นลักษณะที่ซึมสาวกับมืันนาของไส้ธาตุไส้ก็เป็นลักษณะที่อบอุ่นหรือไหมหรือห่อนเป็นอุณหภูมิที่ห่อนที่ไหมก็เสมอกันเหมือนนาของไส้ละธาตุดินน้าไส้ร่มก็เป็นเสมอเสมอกันเหมือนนาของไส้ล่านรก็มอมันเมืออก็ประมาณว่าเที่ยงก็เสมอนาของไส้มา แกเก็บตายเสมอหน้าของไสมานลังทางขาทางไหลเป็นทุกเสมอหน้าของไสมาหลัอใบไม้มื่อนี้มันเกิดมากเพื่อที่รดนเสมอหน้าของครเสมอหลังข้นเกิดมากเพื่อที่แกที่เก็บจะตายเสมอหน้าของไสซัดทางไหลคือกันนะฮนี่อันเมื่อห่มปิดบังอยู่ฮะเนี่ขนมันเมอันเมื่อปิดบังอยูเน่ขันไปลงกน ก็เพเสียเปรียบเจ้าของบอกฮะเนี่ยนี่แต่เสียเปียบผู้อื่นกัเสียเปียบเจ้าของของตัวเราเสิเมีนนั่นมันเหลือวิสัยไปไหนบอกประธานมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายในวาระสงสารมันมาายังมัเเวเหลือวิสัยอยางนี้ประธามันทีพี่แกหน้หาเบื่อหายน้ามันสิเหลือวิสัยอย่างไรสิเมนปีนขึ้นมาพูดมาเขานี่ นั่นกับปีนขึ้นเนี่ยปีนขึน้นมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายนี่ฮสมมติหลือไว้ใชประทัปีปนขึ้นมาพูดมาเขาเนี่ยสมติหรือไว้ไนี่นันพูดเขาแกผู้เขาเก็บพูด เ, เขาตายปีนขึ้นมาเกิดมาแกมาเก็บมาตายมันปรสัร่นก็เนี่ยบอกตุกตู่มตามตุ่ตามอยนนัดอ้เมื่อนี่เป็น เ, นเ ร, นรืออ่องสอนเจ้าของจ้ามาไปเอาไฟจุกกล ด, ด้ ต้องหาบาหาอบายจะค้องอะไรเออต้องหาอบายจะคองอั ต, ตนาโจทยัตตานังควรเตือนตนด้วยตนเองนะอัตวัคือหมวดตน อัตถยอัตโนวราโถวตนไป็นเร่งของตนพวกพัทธวัคคียะตามยิ้งแพทยสยามมามันรักเอาหอเครื่องประดับมาทั้งให้ฝ่ายพวกเจ้าพระคือฝ่ายพระท่านทั้งหลายตามไปยังเลยตามหายิ้งแพทยสยาเขาหน่อยด้วยซ้ำ มันรักเอาห่อเครื่องประับไปอลยท่านพระองค์เจ้าเห็นมันไมน่บริสันห่วยมู้ตัวจะไปตามหาพวกอืหรึจตามหาเจ้าของมาท่นตามหาเจ้าของหรือตามหาพวกอืมันดีไว้ท่านพระพุทธละบาตามหาเจ้าของแล้วมันดีข น, น้อยเขยท่านคำว่าสั่งกรหิมนั่งลงเีือนเท้าติดลอยฟังจะคว่ำจะควมาท่านพระองค์ก็เลยเทิดฟังทเทอริยรสัจสีทุกสมุทัยนี่รุนแรงนี่แนะ เพราะนั่นก็ได้น้ำเลพระสวัสดา์บันตัวดถูกสามสิบคนพัทวคิไปมาพวกเจริญชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะตนด้วยปัญญาของตนถูกแพ้ตนด้วยความโง่ของตนกฎหมาย คำสอนข้องพุทธศาสนาสอนให้ชนะตนสอนให้ปฏิบัติตนเองปฏิบัติตนดีแล้วจึงสอนผู้อื่นจึงไม่เดื อ, รอดร้อนในภายหลังพอ่อะในนุ่งเครื่องเหลือ ง, ของเขาลลึกหาภ้ายกดเบบหมุงประเทวฮาเทคนนนะ่ะาควิดินณตาย ผู้าาาว่าการกลัวฝนที่จะมาเทะก้นเพื่อกับปฏิบัติมันเกือบตายนั่นเงกินเนี่ยตัวยังพอ่อจะต้องเครื่องยังเงลไปแล้วกูเพคืงสู้รถเรียนมาคือบกตุนน่นพบกตุ่นเนี่ยพ่อจะเป็นตำรวจพอ่อจะเป็นตำรวจลูกทิดบูนหน้าบ้าธิดบูเราหายเป็นตำรวจเราเป็นบุรุษไต้ทรี บอบให้บักตุนบักตนไปเป็นตำรวจแต่เป็นตำรวจพาะในุ่งนุ่งเครื่องเหลืองเไปเฝ้าผู้สาวอยู่ปืดขึ้นหัวมือเศ้าแล้วไ ป, ไ, ปไปสมเครื่องเหลืองผู้สาวนั่นไกลจากเมืออดอดไปปาในี่ามันพู่คนละมันเป่ามันพู่นละมาม า, มาสวยม้าม า, ม า, มาท่านการทันงานเขาจับขังเตี้บาทเนี่ยผู้สาวจ ม, มาท่านบักตุนาท่านมอสกูอยากให้เป็นตำรวจมาท่าน ในส่งเครื่องเหลืองเราไปฝาผู้เสาวยเจินว่าเลยเถิดพระันเขาได้จับขังเอาพระสันประวัติบ่ดีพระสันเรา่านอันนี้คืออะไรมูว่วเฮาคันในบ้วรถหาทางสิประเทศจะได้บาเนี้เฮาก็เกสียมานะมาเป็นหัวหน้าหัวบางสีเขาเฮากรับทุกลับหญ่ว่าเพราะแห้งไม่เฮาก็ได